มาถึงที่นี่แล้วด้วยความปลอดภัยหลวงพ่อไฟไม่พอไปไว้ดด้านหลังด้วาก็ในการเรียนรู้เรื่องสื่อความหมายส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้ความสาคัญเท่าไหร่เราก็เลยทําไปตามตามหน้าที่เฉยเฉเพราะนั้นในแง่ของการทางานจะได้ผลเนี่ยเรื่องสื่อความหมายเรื่องสาคัญมากเพราะนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ศึกษามา แม้แต่ในครอบครัวของเราที่เราผิดพ้องป้องเถียงกันระหว่างลูกพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องที่เราต้องทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งถกเถียงตลอดถึงการตบตีลบลาฆ่าฟันกันเนื่องมาจากการสื่อความหมายที่ผิดพลาดดังนั้นยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งมิจฉาทิฏฐิการสื่อความหมายผิดพลาดยิ่งมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะมันสื่อทางทั้งหมด คนที่จะครบคือหทางนะแต่ว่ามันไกลไปหลงพอเลื่อนข้ามาใกล้ๆเลยทั้งหทางเมื่อเราสื่อความหมายเพียงใช้ทุทรศัพท์เนี่ยมันมีทางเดียวคือสองทางคือหูกับตาได้เห็นกันไหมหูกับอะไรหูหูกับเสียงอ่าคือหูกับเสียงกันเดียวกันทางเดียวกันใช่ไหมคำพูดคำพูดนะ แค่สองทางคือลิ้นกับหูทั้งหมดมันตาหูจะบุกลิ้นกายใจใช่ไหมก็สมทางคือครึ่งหนึ่งอ่ะคือเสียงแล้วก็ลิ้นแล้วก็ใจสามทางใช่ไหมขยับมาอีกนิดหนึ่งเนะพอสามทางคือลิ้นและอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราสื่อความหมายกันเราผิดครึ่งหนึ่งเราจะถูกเพียงครึ่งเดียวถ้าเราดับใดที่เราสื่อความหมายด้วยการใช้ โทรศัพทนะ์มีโอกาสผิดครึ่งหนึ่งพราะเราไม่ได้เห็นการตาขาดหายไปจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้ลถนะแต่ใจอาจจะเข้าใจทั้งถูกทั้งผิดเพราะนั้นสองทางครึ่งเท่านั้นเองนะเพราะนั้นการเรียนรู้ในฐานะเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องพิสูจน์ต้องตรวจสอบว่าเราจะพิธีพิสูจน์ตรวจสอบว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมา มีกิเนี่ยแค่ไม่กี่ประโยคใช่ไหมเข้าใจสมมติหลวพ่อตั้งเกณฑ์ไว้ว่าขึ้นมาเนี่ยตัวเลขตัวกลางคือสองเจ็ดสองใช่ไหมเพราะนั้นคนไหนที่บวกลบสองพอก็ถือว่าเข้าใจส่วนใหญ่ถูกบวกก็หมายความสองเจ็ดศนย์หรือสองเจ็ดสี่โอเคแต่ถ้าสองหเก้าหรือสองเจ็ดห้าขึ้นไปเริ่มจะไม่ค่อยตรงมากแล้ว เพราะนั้นเกณฑ์บวกลบ2เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานคือความถูกต้องจะถูกต้องเป้นเนี่ยเมีเพียงไม่ถึง3คนใช่สคนหรือเปล่า2 7งเือเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยบวกลบ2คือ274กับ270 2จ็นะเจ็ด4โอเคสองเจนโอเคตัวกลางคือ272นะ ดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องถ้าต่อไปเรามีโอกาสไปพูดกับชุมชนเพราะเราส่วนใหญ่เป็นผู้นําชุมชนเป็นอสมอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นอบตอแล้วก็ผู้นำครอบครัวใช่ไหมถ้าเรามีโอกาสทําความเข้าใจเนี่ยอย่าลืมเรื่องนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาเรื่องของสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นเรื่องแรกไงความคิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องแรกที่สุดนะพระพุทธเจ้าถึง ต, ตรัสว่าอย่างนี้ว่า สมาธิธสมาธานานสมาธิธสมาธานาสภาธทุก ข, ข์าวปจจุคุงถ้าเราเข้าใจกันถูกต้องแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยในระดับต่างๆไม่ว่าปัญหาระดับส่วนตัวส่วนรวมนะดึงมาใกล้ๆส่วนสูสัยเลยก็เพราะดึงมาจนสูสัยเลยนั้นเราจะเห็นว่าการทำความเข้าใจกันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสื่อปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะทําให้เกิดความเสียหายมากประเทศชาติเราจะพังพินาศเพราะการสื่อเพราะการใช้สื่อแค่เราทัดช่องเดียวกันก็พูดคนละเรื่องแต่ความจริงอีกเป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่สื่อจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็จะถือเป็นประโยชน์แต่ความจริงอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ประเทศชาติเราไปไงมันจะไปไม่รอดเพราะการสื่อความหมายครอบครัวเราแตกแยกเพราะการสื่อความหมายพ่อแม่ไม่ถูกกับลูก ก็เพราะการสื่อความหมายสามีไม่ถูกกับภรรยาก็การสื่อความหมายดังนั้นเองอันนี้คือปัญหาหลักแต่ในพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องนี้มากแต่ว่าชาวพุทธน้อยคนที่จะเห็นความสําคัญสมาธิถี่กับสมาธส ก, กปะคือการเข้าใจถูกแล้วการคิดถูกถ้าเข้าใจถูกก็คิดถูกเข้าใจผิดก็คิดผิดตอนหัวขบวนที่สุดคือความเข้าใจถูกเรกว่างสมาธิถี่นะ ดังนั้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างขนาดเนี้ยแล้วนํามาทําจะขนาดไหนใช่ไหมมันไม่ใช่บวกลบสองแล้วนํามาทำํำรบบลบห้าหรือบวกบ 5, ลบสิ บ, บ 10, มันถึงจะใกล้เคียงนะวัตถุแค่บวกลบสองนี่เราก็ยังพลาดกันเยอ ะ, ละนะแล้วนะดังนั้นเองในช่วงเช้าวันเนี้หลวงพ่ออยากจะนําเสนอที่เราจะทําอะไรในวันนี้ก็จะไม่เป็นเชิงทฤษฎีเท่าไหร่ แต่เป็นเชิงว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะนั้นหมายความว่าช่วงเช้าเนี่ยคือเป็นการให้บทเรียนในการทาวันนี้ช่วงเย็นเราสรุปบทเรียนว่าวันนี้ที่หลวงพ่อให้บทเรียนตอนเช้าเอาไปทำถูกไหมก็จะออกมาเป็นการบันทึกใช่มช่วงสี่โมงถองห้าโมงเนี่าทั้งวันทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้หลักสติประฐานสูตรเนี่ยมันเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติจริง เพราะสติปัญหาสูตรนี้ถ้าหากว่าเราทําถูกต้องจริงๆเนี้ยไม่ต้องมากแต่มันจะได้ผลมหาศาลเลยคือมันเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยชีวิตเราจะไม่มีปัญหาทั้งกายทั้งใจชีวิตของเราจะไม่มีปัญหากับใครไม่มีปัญหากับกลัวไม่มีปัญหากับเพื่อนฝูงไม่มีปัญหากับชุมชนนะแต่ถ้าหากว่าเรายังมีปัญหากับเพื่อนฝูงชุมชนอยู่แสดงว่าสติปัญหาของเรายังไม่ได้ถูกต้องเท่าที่ควรเราจะเป็นต้องตรวจสอบตรวจสอบกับใครอ่ะ ตรวจสอบกับตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจเขาถูกต้องไหมเอ๊ะเข้าใจถูกต้องทําไมใจฉันเป็นอย่างนี้อยู่วะตรวจสอบกับตัวเองมันก็ยังไม่ลงตัวก็มาตรวจสอบกันกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์เอฉันก็พูดกับเขาดีๆเนะียฉันก็คิดว่าฉันพูดดีแล้วทําไมเขาเข้าใจแบบนั้นหลวงพ่อแต่สิ่งที่ฉันพูดก็ไม่เรื่องเสื่อหายแต่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราก็ตรองไม่ตรงเหมือนกันแล้วก็พูดกันดีๆแต่ทําไมเขาแสดงอาการแบบนั้นนะ่ะอันนี้เราเริ่ม เข้าใจไม่ถูกกันละใช่ไหมทั้งๆที่เราก็มีตั้งใจดีดังนั้นในกรณีนี้เราทําไงกรณีนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องจริงไหมสมมุติว่าเราพูดว่าเออคุณวางตรงนี้ไม่ถูกนะเอาไปวางตรงนั้นได้ไหมออตรงนี้มันในสลาวัดวารามคุณต้องดูว่าควรจะสิ่งที่พูดนี่ถูกนะแต่อีกไฟหนึ่งฟังแล้วเป็นไงะขัดหูเลยทั้งๆที่เราพูดนี่ถูกต้องเลยใช่ไหม แต่ถ้าเราจะมีวิธีพูดที่ไม่ขัดหูเลยเนี่ยจะมีวิธีแบบแบบไหนเราน่าจะคะ่อยๆมีอารมณ์ร่วมหน่อยใช่ไหมและมีส่วนร่วมด้วยอันนี้ไปคิดรูปแบบมาก็าล่ากันว่าสมมุติว่าแก้วเนี่ยถ้าวางตรงเนี้เดี๋ยวคนก็เดินมาเตะใช่ไหมน้ำข่วมเออเขามาวางเขาดุมแล้วก็วางตรงนั้นอะ่ะจะเขาจะได้ลืมหรือเปล่าไม่รู้ประการแรกที่สุดเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักคนนี้ดียังไม่คุ้นกันนะ เราก็ยอมเสียสละคือเก็บแก้วไปแทนเขาก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรปลอดภัยที่สุดใช่ไหมนี่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าจะพูดอ า, อาจจะต้องขอโทษก่อนขอโทษนะเดี๋ยวผมขอเก็บตรงนี้ก็แล้วกันนะคุณอาจจะลืมก็ได้ขอเก็บหรือจะไปบอกให้เขาเก็บนี่ก็อาจจะไม่นี่เพราะนั้นเรื่องการสื่อความหมายเนี่ยจะอ่อนไหวมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักกันแต่คนคุ้นเคยรู้จักกันก็โอเคนะเราก็บอก ตรงนี้เราเอาไปเก็บตรงนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็พูดในลักษณะน้ําเสียงนุ่มแล้วก็น่าฟังเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยคำพูดที่ที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจถูกบ้างที่น้ำน้ำเนียงเสียงพูดด้วยนะไม่ใช่แค่คำพูดเพราะอย่างเดียวหรือคําพูดตรงหรือถูกอย่างเดียวท่านใช้คําว่าหนึ่งเป็นประโยชน์2เป็นจริงสน่ารักคําพูดที่ที่ ท, ที่ที่จะไม่ก่อไม่ก่อปัญหาเลยอะ่ะ เออพูดแล้วฟังน่ารักเป็นจริงด้วยได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าสามข้อเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราจะใช้ข้อไหนหนึ่งเป็นจริงสองประโยชน์สามน่ารักเป็นประโยชน์คือหมายความว่าสามข้อเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ทั้งหมดเราทำได้ข้อเดียวเราจะใช้ข้อไหนเป็นจริงเป็นประโยชน์แล้วน่ารักบางทีเป็นจริงแต่ฟังแล้วไม่น่ารัก บางทีเป็นประโยชน์แต่ฟังแล้วไม่ น, น่ารักบางทีน่ารักแต่ไม่จริงและไม่มีประโยชน์นี่คือข้อยากของมันฟังแล้วดูนะแต่มันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะฟังแล้วเพราะใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นการดูถูกกันก็ได้ถ้าเราจะเอาว่าน่ารักใช่ไหมถ้าเป็นประโยชน์เป็นจริงถ้าเป็นประโยชน์หมายควาคำหนึงถึงอกเขาอกเราเราคนจะได้ประโยชน์เขาคนได้ประโยชน์เพราะนั้นตัวได้ประโยชน์เนี่ยปลอดภัยที่สุดเป็นจริงบางที มันอาจจะไม่เพราะเพราะบางทีอาจจะไม่จริงแต่ถ้าเป็นประโยชน์แล้วมันจะเพราะเสมอแล้วจริงเสมอมันสามารถควบคุมอีกสองความหมายได้ด้วยนี่คือตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราต้องใช้สติปัญญามากๆเลยเพราะนั้นเราจึงมีการเจริญสติไงเพราะมันใช้มากแต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่มีสตินียเราใช้ไม่ถูกเราใช้ผิดมีสติมีปัญญาที่จะพูดอยู่แต่ว่าสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาของอะไร ของความเพยชินและของฉันชาตยานแต่สถิปัญญาที่เรากำลังฝึกนี่เป็นสติปัญญาของวิปัสนาและของโลกุตรปัญญาเพราะปัญญามีสองอย่างหลักๆคือโลกุตรปัญญากับโลกียะปัญญาใช่ไหมโลกียะปัญญาคือเกี่ยวข้องด้วยเรื่องข้างนอกทั่วไปนะไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก โลกุตรปัญญาจะคำนึงถึงความรู้สึกของของเราของเขาเพราะนั้นถ้าเราใช้โลกียญาปัญญาเนี่ยมันจะควบคุมได้ถึงโลกียญาปัญญาด้วยถ้าเราใช้โลกุตระแต่ในกรณีที่เรายังไม่ได้ฝึกโลกุตระปัญญาเนี่ยโอกาสผิดพลาดมีสูงมากเว้นแต่คนนั้นมีสติปัญญาตรตรองมีการศึกษามีประสบการณ์ชีวิตนั้นหมายความว่าเขาเริ่มมีโลกุตรปัญญา เพราะสติปัญญาที่จะเป็นโลกุตระได้เนี่ยคำนึงถึงประโยชน์เขาประโยชน์เราคำนึงถึงความรู้สึกของเขาคำนึงความรู้สึกของเรานีอันนี้คือเป็นโลกุตระแต่ถ้าหากว่าเป็นโลกียะปัญญ า, านั่นก็คือคำนึงถึงประโยชน์ตนอาจจะเสียประโยชน์ท่านคำนึงถึงประโยชน์ท่านอา จ, จเสียประโยชน์ตนเช่นเราลัลากพอ่อลกักแม่ทํำต่อพอ่อต่อแม่ดีมากแต่บางอย่างมันมากเกินไป หรือสามีรักปัญยาภรรยารักสามีทําต่อกันดีทําต่อกันดีมากแต่บางอย่างเขารับไม่ได้ทํำดีจริงๆอะ่ะแต่ยังรับไม่ได้จะเป็นประโยชน์เขาแต่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเนีย่ยดังนั้นเองเราจึงมีการฝึกไงมีการฝึ ก, นนกฝกนเรื่องสติปัญญาที่เป็นโลกุตระคือมาคํานึงถึงความรู้สึกของเราของเขาเพราะว่าคําพูดก็ดีการการะทําก็ดีใครเป็นผู้บงการเราเนะ่ยเป็นใครอ่า ใครเป็นผู้บงการการพูดของเราใครเป็นผู้บงการการกระทำของเราใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกอย่างต้องสําเร็จมาแต่ใจใช่ไหมแต่ถ้าใจนั้นยังไม่ได้ฝึกฝนใจนั้นยังไม่มีสติสัมยาที่ถูกต้องเนี่ยใจตรงนั้นจะตัดสินการกระทําการพูดถูกต้องเสมอไปไหมไม่เสมอไปถูกบ้างผิดบ้างอะไรส่วนใหญ่มันก็ผิดนะดังนั้นเองเราก็ได้รับทุกข์รับโทษในเพราะสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่จาเป็นต้องสอนโลกุตโลกียปัญญาอีกเพราะทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไม่พอใช่ไงเราใช้ถูกบ้างผิดบ้างท่านเลยเพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งก็คือโลกุตระปัญญาและโลกุตระปัญญาเนี่ยจะต้องเริ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาเสมอถ้าปัญญานั้นไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นฐานเนี่ยมันเป็นโลกุตระไม่ได้โลกุตระแปลว่าอะไร โลกะคือโลกอุตระไปว่าเหนือเหนือโลกคือเหนือเหนือโลกิยะเหนือความรู้สึกธรรมดาความรู้สึกธรรมดามีสองอย่างคืออะไรชอบและไม่ชอบใช่ั้ยแต่ความรู้สึกที่เหนือความชอบไม่ชอบคือความรู้สึกรู้เห็นเข้าใจและเป็นความรู้สึกที่ที่ไม่ไม่เอียงเข้าตัวเองและไม่เอียงเข้าอื่นเป็นกลาง ความรู้สึกที่เป็นกลางกลางโลคุตาละคือเหมือนคำว่าสมมุติว่ามันมีสองข้างเงี้ยถ้าเรามาอยู่ไฟแดงไอ้ไฟเหลืองก็เกลียดเราถ้าเราอยู่มาไยเหลืองไอ้ายแดงก็เกลียดเราถ้าเราไม่อยู่สองฝ่ายเนี่ยก็อันตรายไอ้ฝ่ายนี้ก็ว่าเราจะเข้าฝ่ายนี้ไอ้ฝ่ายนี้ก็อันตรายเราจะทําไงถึงจะมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวอยู่เหนือขึ้นมานิดหนึ่งไม่ให้ของมองเห็นว่าเราอยู่ฝ่ายไหน ถ้าอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ตรงกลางก็อยู่ในระดับเดียวกันถูกกล่าวหานะใช่ไหมทั้งสองฝ่ายสงสัยเราอะว่ามึงในฝ่าย ไ, ไหนกันแน่เหลืองหรือแดงไอ้ไอ้นี่ก็สงสัยเราในที่สุดเขาเรียกอยู่ระหว่างเขาอะไอ้ตรงนี้ขีดมาก็โดนเดียวมากเขาเรียกว่าเดีย ว, ยวมากภาษาอังกฤษคือหมายว่าไอ้ขยับไปนี้ก็โดนเขานี้ใช่ไหมขยับนี่ก็โดนเขานี้แต่ถ้าเราอยู่เหนือไปนิดหนึ่งจะโดนไหมการอยู่เหนือถ้าใช่อุตระโลกอุตระคืออยู่เหนือขึ้นมานิดหนึ่ง อย่าไปอยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางนี่หมายข้อโดนทั้งซ้ายทั้งขวาโดนระหว่างกลางความพอใจไม่พอใจพอใจมาคุณก็โดนขเขาเรียกเป็นสีเทาอ่ะดําดก็ไม่ใช่ขาวก็ไม่ใช่ถ้ามาอยู่ที่ทางฝ่ายนี้จะเป็นดำฝ่ายนี้เป็นขาวใช่ไหมมาอยู่ตรงกลางมันกลายเป็นสีเทาแต่ยกเหนือจิตขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเราเห็นความผูกความผิดสองฝ่ายแต่เราไม่เข้าทั้งสองฝ่ายเรายกเหนือจิตขึ้นมาซะเราใช้อะไรใช้เมตตาทั้งสองฝ่าย พูดกับฝ่ายนี้ให้ดีทําความเข้าใจกับฝ่ายนี้ทาํานี่ลราเหนือละเรามองเห็นนะไอ้ข้อนี้มันก็ไอ้นี้ก็ข้อถูกมันก็มีนะแต่ข้อผิดมันก็มีไอ้ฝ่ายนี้ข้อถูกมันก็มีนะแต่ข้อผิดมันก็มีแต่เขามองไม่เห็นกันแต่คนต่างฝ่ายต่างคนต่า ง, ง, งมองมเห็นตัวเองถูกต้องนะดังนั้นการฝึกฝนโลกุตะระปัญญาคือฝึกให้จิตอยู่เหนืออารมณ์และอารมณ์หลักๆเราก็จะมีอยู่สาเนีายก็คือพอใจ ไม่พอใจเฉยๆแต่เฉยๆนี่อันตรายอย่างที่ว่าเป็นกลางไม่เกี่ยใช่ไหมอันตรายเมื่อยู่ตรงกลางยังไม่ยกระดับนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้เข้าอุเบกขาบอยู่ระหว่างกลางไงไม่เข้าฝ่ายนี้ไม่เข้าใช้เข้าทุกขเข้ามาสุขเวทนาและความรู้สึกเข้าฝ่ายนี้ชอบเราชอบฝ่ายนี้เป็นสุขเวทนาไม่ชอบฝ่ายนี้ไปเข้ากับฝ่ายนี้เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมถ้ามาอยู่ตรงกลางเส้นเนี่ยเป็นอทุกขเข้ามาสุขเวทนาก็อันตรายเพราะสองฝ่ายนี้มันต้องสงสัยเราไม่รู้มันเข้าฝ่ายไหนแต่เรายกจิตขึ้นมาระดับหนี่ ตรงนี้เขาเรียกว่าสติปัญญาที่เป็นโลกุตระซึ่งมันไม่ใช่กลางแต่มันสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นโลกุตระแปลว่าเหนืออารมณ์เหนือเรามาใช้ค่อนข้างเข้าใจยากกว่าเหนือโลกเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปในในสภาวะที่สูงขึ้นไปใช่ไหมแต่เอาเข้าว่าเหนือความรู้สึกกันแล้วกันคนนี้พูดมาเรารู้สึกไม่พอใจพูดไม่เพราะนะคุณพูดถูกก็จริงแต่ว่าคุณพูดไม่เพราะ คุณพูดไม่รู้ไม่รู้ความรู้สึกของฉันว่าฉันมีความรู้สึกต่อคุณอย่างไรพูดจริงนะแต่ถ้าหากว่าเราเราเป็นคนโดนอย่างนั้นปับ๊บเราก็เอาสติมาดูอาการเหล่านั้นอ๋อคนนี้พูดไม่เพราะจิตมันเป็นอย่างนี้นะจิตมันสั่นจิตมันไม่พอใจอ๋อจิตมไม่พอใจไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหนือแหละแต่ถ้าเราเข้าไปถูกความไม่พอใจปับ๊บเราก็าจะมองหน้ากลับไคนนั้น ด้วยความไม่พอใจใช่ไหมอาจจะคําพูดย้อนไปด้วยความไม่พอใจหรือเก็บความไม่พอใจคุณอาจจะยิ้มก็ได้แต่คุณเก็บความไม่พอใจไว้ลึกๆเพราะคุณมีศิลปะในการในการรับอารมณ์คุณอาจจะไม่พอใจแต่คุณยิ้มได้แต่ลึกๆแล้วมันไม่ใช่ตรงนี้เลยไม่เหนืออันนี้เขาเรียกยิ่งแย่เข้าไปอีก เ, เรียกเสยแซงเก็บกดปกปิดมิดบงังหมกเม็ดอะไรก็แล้วแต่เจ้าเล่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่อันตรายเข้าไปอีกนั่นเราจะเห็นว่า เราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆอเดี๋ยวหลวงพ่อลงไปทำความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นให้ในพุทธศาสนาให้เข้าใจสองข้อนี้ให้ชัดก่อนคือสมมาทิฏฐิกับสมมาสังกปะเราเห็นถูกเราจะคิดถูก แต่ถ้าเราเห็นไม่ถูกคิดไม่ถูกนะขบวนต่อไปเนี่ยจะเป็นสมามากรรมตะสมาวาจาสมาชีวาสมาวายามาสมาสติสมา ส, ส, ม, าสมาธิสมาญาณสมาวิมุติผิดหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมาทําสมาธิฐิส่วนสมาธิธิจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะช่วงเชา้านี่เอาไว้เท่านี้ว่าวันนี้ขอให้ตอนกลับลงไปเนี่ยแก้ตัวหน่อย ทีนี้ไม่ได้นับขั้นบันไดนะนับเก้าวจาก ต, ตรงนี้ไปเริ่มลงตรงนี้นับตั้งตรงนี้ไปเลยแล้วจนไปถึงที่หน้าศาลาพอไปถึงหน้าศาลาปั๊บหลวงพ่อก็จะทําบัญชีอยู่ตรงนั้นดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องการทําความเข้าใจให้ถูกต้องภายนอกให้ได้ก่อนแล้วเรื่องความภายในไม่ยากแต่นี่ภายนอกเรายังผิดกันบานเบ้ะเลยข้างนอกข้างในไม่ต้องพูดถึงเลยนะ เข้าใจนะชั้นนะชัดว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเรียกว่าบันไดไม่ไม่สนใจะกี่กี่ขั้นอ่ะนะสนใจว่าไปถึงตรงหน้าศาลาเนี่ยได้กี่ก้าวโอเคตั้งแถว